พระธรรมเทศนาแผ่นที่สองลำดับที่หโดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีสแสดงธรรมเมื่อวันที่23ทธันวาคม2556หมีชื่อเรื่องว่ากินให้ท้องแตกเอาเร็วๆ เ, เข้าลูกหลานอย่าไปช้า อันไหนเอาเอา เ, เอาเลยเอาเลยเอาเลยแล้วก็ผักผักผักไปเลย <_ C 1> อย่าเป็นลังเลอาหารไม่ต้งเยอะแยะไปกินให้ท้องแตกก็ท้องแตกลองๆ่องกินนูนกินให้ท้องแตกแตกดีที<_><_ <C 1> ลงตาสักเน่ยยุคนางยุกห่างลุงพอ่อเนยบอกว่าเน่นอายุสิบหกปี ย่าหมักมีก็หมักม่วงหมักมีหนังมักม่วงซุกหวานๆเอาไปมาอายุ16ปีเลยกลิ่นเข่ากินเขา่เขาเนอจนเต็มทองเอาไปมาเีา่ยตอน บ, ามามนนบน่ายมันมันคลบายแบบไทยกระบอกออกห้ากระบออกกกบ อ, อกไปหัากระอกคัดทองก็ะบ อ, อกเอาไปมาหามลงพบไปหงพยาบาลเพราไปห้องพยาบาบลาบามื่อกระเพาะเสียก็สั้นตายแล้ว สู้เจ้าระวังนะกินให้ทองแตกแตกกินี้ได้ยนะกินบบจักปมันเน้นเคยกินมื่อหลายสิบพกปีกินปลามีหัวงวงไนงะจนกระเพาะแตกหลวงปู่สิงเนะี่ยหลวงปู่สิงขันตะยาขโมอันเนอเก่งอั น, นีนนายกย่องหลวงปู่สิงไปพากระเพาะไปพากระเพาะมานะเขาเขเลยเน็บกระเพาะเพิ่อนอนะพอเย็บกระเพาะ เสร็จเรียบร้อยเพิ่งกัดตัวโป้ครับจะเพิ่งจะไปฉันอาหารแข็งเ น, านวว่าสัน็วาจะไปฉันอาหารแข็งนนเน่าสันไหนฉันอาหารธรรมดาอาหารพวกข้าวต้มก้อนอะบางอะไย่มเหมเศ้ามันคนหิ ว, วนน เ, เ, น, น, เ, น, เนีไปไปไปเ่ยคนหนุ่มคนเฒ่าไม่เก็สั่งลูกน้องคนลุกซีนไปไปไปไปเอาก๋วยเตี๋ยวมาไปสคนสั่งลูกน้องให้เอาก๋วยเตี๋ยวเมาแน่อยไป ทางลูกน้องว่าผู้ไร้หลงปู่ว่าท่นเลยหมอเขาห้ามม่ให้กินของแข็งไให้เขาให้กินข้าวต้มว่าท่นเออข้าหิวเนี่ยว่ะเอามาเดี๋ยว ไ, ไปหาฟังคำหมอฟังคําข้าข้ามันอยากเนี่ยวะ่ะเนยไปไปบอกเอาว่าท่านลูกน้องก็ไปเอาก๋วยเตี๋ยวมาให้ไป ท, ท่าทันไปถ้วยนึงหมดไปยังบมท่านอี่มหมดหมดซ่าถ้วยสองอีก พ่อเธอซวยสามจะคือจะเขาทวยสองเลยซวยสามหนึ่งในที่มันแตกปูในท้องเนี่ยพไปพอเสือกมันขาดเนี่่ไหมเย็บมันไม้เย็บมันขาดพ่นไปปนะูโ อ, โอตายลีทุกีพรดวดเลยไปไปไปไปไถามข่าวไ ป, า ป, า ป, าปาหามาหามองนั่งเ่ยพ่อฮ่อไปนั่งเพิน่นเพิ่นกุศลลาเพิ่นเองเด้่ยพ่อเธอไปกุศลาธรรมะกุศลาธรรมะยะกตาธรรมะ อแต่ตามีทำมากุศลาก็ว่าแบบจบสุดนี่จบสุดนี่จบไปมาจบทุกส่นเลยตายเร็วลงไปเอออันนั้นลงพอเก่งอิลีอันนั้นไปเออตัวเองอยากอะไรก็กินพอกินแล้วก็กุศลาให้เจ้าของแลยตายแล้วลงไปเอออันนี้มันแย่ไปเลยเสร็จแล้วยางลูกหลานเอาอยู่ในความสงบนะที่นี่นะ อยู่ในความสงบอย่าไปคุยกันมาวัดต้องมาฟังครับแต่เมื่อวานเนีนะลูกหลานนะ่ะลงทานได้ยินพวกคุูบาพูดในที่ประชุมบอกว่าญาติโยมบางคนมาจากถิ่นไกลเ่บอกให้ไปทานอาหารในโรงครัวเขาบอกว่าอาหารในโรงครัวบางบางโรงครัวเนะี่ยน่าบูดคอนนะ หลวงพ่อได้ยินเอ๊เป็นโรงครัวนาคำน้อยของเราหรือเปล่าอ่ะเพราะฉะนั้นอย่าหน้าบูดนะโรงครัวนาคำน้อยของเราหน่าต้องยิม้มแย้มแจ่มใสเออพอเห็นว่าให้ทำท่าเญิงเขีเ้ยวน่ะเหมือนกับยิ้มอยู่ตลอดแต่บางคนก็อย่างว่าเหมือนกันนะ <c oughs> พวกเขาไปใช้บริการ เ, เอ่อบางทีก็นิดมารยาทไม่ดีเหมือนกับโรงทานนี่ยเหมือนกับ เออเป็นโรงขายอาหารลักษณะนั้นอะ่ะอสั่งนั้นสั่งนี้สวดรวดหน้าสวดรวดหลังมัน ก, ก็เป็นตาจพีดตีนบากยังไงเนาะพวกม่กขัวเฮาก็ได้พอเหตุใดเพราะแขกถึงมาบริการบกุจักอันนี้มันบอแมนมันบอแมนเออโล่งมันบอแมนโล่งขายอาหารมันไปโลงท่านมันไปเขามาหาโรงท่านมันก็ต้อง บอด้ใจบอดซื่อมันโมแมนบ่อหล่ะเขาไปก็ตกมีมลายาดเออเอาอันนี้เอาอันนั่นเอากุ้ยเตี้ยวเขาตักไปโอ้บอเอ็ะมาขอเขาเอกโอ้ยังบอสันเอ็มอันนี้ก็คือโลงท่านบอแมนสิเขาไปก็สวดลวดหนาสวดลวดหนังสี่พุนสี่พีเอาไปมาแม่ขั้วหอยอันนี้มันโมแมนโลงขายอาหารแน่วัน่ะโลงท่านคูจักบษ์่ะเอาไปมากระทะพี่บอตะลิ้วบอเนี่ะ ว่อนซ้ายวอนขวาต้องบาดเนี้ยลงพอก็บตำนี้ทั้งรงขั้วทีเดียวก็พอได้เจ็ดตํานี้ทั้งผู้มากมากเขาบริการก็พอถึงขนาดนั้นแต่วันถึงจะไดก็ตามนะพี่น้องลูกหลานพวกเข้าเป็นเจ้าของโรงขั้วลงเจ้าของโรงท่านทุกโลงนะต้องมีน้าใจสรุปแล้วให้มีน้าใจให้มีเมตตาเวลาเห็นผู้เฒ่าผู้แกมากเอ้ยไปได้ผู้เฒ่าเป็นไหน เอาหลายยใยกินอะไรเอาเนี่ยไปเข้าก็ต้องบอกต่องเบาแน่กับเขาให้เขาบอกเขาก็เก่งใจเ ข, าข้าด้วยกันเด้พวกที่มารับทานอาหารพนันหวยพวกเข้าทุกผู้ทุกคนนะแล้วก็โรคธานมันเบิง้งขาดเหลือขาดตกเหี่ยงยวัตถุทิพมันขาดเนั่ยก็ บ, บอกนะคูบาอาจารย์พนที่ซอยพนั้นอยุแ ล, ะละ่ะ อันนี้ก็คือโลงท่านพอคนจะเขามาเรื่อยๆอันนี้มันก็นจวน่ะละใกล้แล้วละ่ะพี่น้องลูกหลานเ้ยยังอยู่สิบสามสิบสี่หมื่นหนึ่งยังไก่เขามาเต็มท้นล่ะเมื่อนีนก็เป็นวันที่ยี่สิบสามวันที่ยี่สิบสามธันวาห้าหกแล้วก็วันที่ห้ามกราห้าเจ็ดจากนี้ไปไม่กี่วัน ก็เป็นจบแหละล่ะทุกคนต้องมีความต้องมีขันติคือความบดทงทั้งฝ่ายพระสงฆ์น้องหนุ่มก็เหมือนกันนะนะอพระสัมมาเนรใครถนะ้ามีหน้าที่อะไรก็ขอให้ทําหน้าที่ให้ดีที่สดุดเพราะเรามาทําบูชาประคุณของหลวงปู่ของพวกเราฝากฝ่ายในครัวก็เหมือนกันขอให้ช่วยช่วยกันเลี้ยงแขกเลี้ยงคนเลี้ยงพวก ผู้ที่มากราบคาระวะองหลงปู่ของเราเป็นบุญเป็นกุศลนะลูกหลานนะแต่เมื่อวานเมื่อวันที่สิบเก้าก็หลวงพ่อลงไปนู่นไปกรุงเทพแล้วพวกลูกหลานก็คงอยากจะรู้เอะหลวง พ, พ่ออินไปไหนเนอะหายแวบแบอ้หลวงพ่อลงไปกรุงเทพไปขึ้นเครื่องที่อุบลแล้วก็ไปนอนที่ไปพักที่สวนแสงธรรมวัดของหลวงตานะนะเนี่อพอไปพักอยู่ที่นั่นแล้วก็ไปฉันอยู่ที่ ฝ่ายช่างการบินไทยรูบายจานไปมากนะประมาจารย์หลวงพ่อเนี่ยนั่งเป็นองค์ที่ส1ขนาดะหลวงพ่อนั่งเป็นองค์ที่11นะเนี่ยจากนั้นกูบายจานมากทั้งหมดก็20สบกว่าองค์โอ้คนเป็นพันนะแต่ขนาดพวกช่างทั้งอย่างเดียวก็เป็นประมาณ 4, 50, สี่ห้าหมื่นช่างการบินไทยไม่ใช่น้อยนะเป็นช่างช่อม่างซ่อมเครื่อง พอฉันเฉินเขาก็นิมนต์หลวงพ่อเป็นองค์แสดงธรรมจับจุดเลยว่างั้นแหะหลวงพ่อเอาให้เทศกเทศนะ็เทศ่หลวงพ่อก็เทศที่ว่าจะเทศง่ายๆลงง่ายๆเนะี่ยพอลูกน้องบอกว่าหลวงพ่อพูดถึงห้าสิบห้านาทีในะวันนี้วันโอจากนั้นพอเทศจบแล้วนูไปขึ้นเครื่องบัดเนะี่อพอขึ้นเครื่องจากดอนเมืองไปเชียงรายนะ ไปที่เชียงรายไปออกเชียงรายไปแม่สายฮไปดูพระที่หลวงพ่อสั่งเขาทําพระหน้าตักสองเม็เหดหินนินสเปนหินดํำมินนินสเปนเขาแกะสลักทั้งสามองค์คือพระโมกคราสาริบุตรและกับพระพุทธพัฒนหน้าตักสองเม็ดราคาทั้งหินด้วยทั้งอะไรทุกอย่างส่งถึงที่สามล้านแปดแสนห้า แต่เด็กเขาแกะเกือบจะเสร็จแล้วท่านนี่เดือนมกราวันที่สามสิบมกราเนี่ยเขาจะมาส่งแล่ะเขาว่าหลวงพ่อขึ้นไปดูซิเอาไหมชอบไหมถ้าไม่ชอบผมผมจะได้แก้ไขถ้าหากว่าเอาไปเลยแก้ไขไม่ได้นะัไปถึงวัดแล้วหลวงพ่อก็เลยทอสังขารขึ้นไปทั้งเหนื่อยนะขึ้นไปดูพอจะได้รู้ว่า ตรงไหนที่จะได้ปรับปรุงแก้ไขจะได้เอาออกอีกทุพนใหญ่เกินไปอย่างนั้นแหละคล้ายๆว่าเป็นตำหนิก่อนที่พระจะเสร็จนะหลวงพ่อกลกับลงมาอีกขึ้นไปถึงแม่สายมาถึงสวนแสงธรรมนี่แหละหลวงพ่อก่อนที่จะมากับมาฉันจิตโพชนาลูกชิ์ของหลวงตามาขึ้นเครื่องอุบลเมื่อวานนี่แหละกิจธุระของหลวงพ่อนะลูกหลานะ จะวาถึงยังไงก็ขอให้ลูกหลานทุกคนเนะี่มาคราวนี้มาช่วยการช่วยงานขอให้ดูอหลวงพ่อเนี่ยอดูลูกดูหลานทุกคู่ทุกคนนั่นแหละทุกหน่วยทุกหมูลทุกเ่าขอให้งานของหลวงปู่ของเราสําเร็จลุล่วงไปด้วยดีเมื่องานของพวกหลวงปู่เสร็จไปแล้วนะ่ะบุญกุศลก็เข้าเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจของพวกเรานะี่ยลูกหลานนะ่ะ อย่าไปหาเหตุเนี่ยสิ่งที่มันไม่ดีนะอย่าไปทำให้สิ่งที่มันไม่ดีอย่าคิดไม่ดีแล้วก็ทำไม่ดีพูดไม่ดีเป็นหนทางแห่งความบาปเป็นหนทางบาปเป็นหนทางแห่งความเิ็บหายไม่เป็นผลดีเพราะนั้นใ้คิดดีทำดีพูดดีแล้วเป็นบุญเป็นกุศลสาหรับพวกเรานานเรานึกคิดขึ้นมาเมื่อไหร่ใจของเราจะสบายมีความสุขลึกลึกเพราะเราได้มาทุ่มเท มาตากหนาวตากแดดอยู่เห็นไหมหนาวขนาดไหนพวกเรามาช่วยงานหลวงปู่ในคราวนี้วันนี้ขอให้ลูกหลานทุกคนนะทั้งฝ่ายครัวทั้งฝ่ายพระสงฆ์นั่นนะมาอุทิศกายวาจาใจของพวกเราให้ช่วยงานหลวงปู่ให้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดีเอาตอนนี้ไปพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พร น, นะปานีนะ